ถ้าคุยทั่วไปมันก็เป็นกว้างอ่ะกว้างไปหน่อยแต่ถ้าประเด็นเราก็เจาะลงไปว่าเอออะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยอือคือเออเไม่ไม่ไม่จีจู้จะจะสงสัยเรื่องการปฏิบัติแม่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนอาจารย์ภาสาญี่วัดชุกตะอะไรไหมอ๋อไม่ไม่ไม่สงสัยเลยเนี่ยทางทางเนี้ยจ้ะทางไม่ไม่ไม่ไม่สงสัยเนี่ย โอเคโอเคันคุณอาฟังนี่แพุทธเป็นนี่แหละพุทธเป็นเถรวาทอะไรคือเข้าใจหมดเลยจ้ะโอเคันงั้นคุณาฟังก็ฟังไปก่อนเดี๋ยวให้แม่ชีทั้งองคือแม่ชีชีดอกไม้อยู่ในสายกับแม่ชีชุกนะฟังฟังดีกว่าฟังดีกว่าโอเคเอาม่ไม่ม่ชีม่ชีุจะถามเอ่ออะไรเอ่อเอ่อพระอาจารย์ออสถ้าไม่ถามพระอาจารย์ออสก็จะจะจะจะใช้วิธีท่านก็จะจะบรรยายหรือท่านจะ แสดงทำไปตามที่ทีท่าเห็ด้วยจะแสดงกันะจ้าจ้าจจจเอาจากเขาฟังาแล้วแม่ชีดอกไม้จะเป็นผู้ตั้งประเด็นให้อาจารย์ออสบรรยายในเนื้อหาอ๋อแม่ทีอ่าแม่ชีปฏิบัติอ่าแม่ชีไม่ชีออสเหรอจ๊ะแม่ชีดอกไม้ค่ะแม่ทีดอกไม้จ้าจ้าจ้จจ้าแม่ทีเป็นปฏิบัติอ่าไม่เลือกสายไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธหรือว่าานิจายหรือสายไหน อ่าไปจบที่หลวงพ่อโพสีคือไม่มีสายนะคะแต่ทีนี้แม่แม่ทีเข้าใจการปฏิบัติของแต่ละท่านว่าหนึ่งสายหลวงพ่อเทียนท่านยกมือตั้งสติใช่ไหมคะอาจารย์ออสใช่จแล้วมีการตั้งสติการตั้งสติที่การยกมือขึ้นมาอ่าแล้วมีความหมายยังไงแล้วทีนี้ระหว่างหลวงพ่อโพสีให้ทิ้งสติไม่ไม่ติดสติไม่ติดสมาธิไม่ติดฌานไม่ติดญาณ คือการไม่ยึดติดทั้งหมดทั้งสิ้นก็ถูกเข้าสู่เนื้อหาคําว่านิพานอ่าอ่าอมริถการไม่ยึดติดแต่ว่าไม่ทราบว่าสายหลวงพ่อเทียนไม่ทีไม่เคยปฏิบัตินะคะอือทนี้การยกมือไม่ทีเข้าใจว่ายกมือคือการตั้งสติอืออันนี้ได้ตั้งสติขึ้นมาหมายถึงว่าสติเนี่ยแค่ยกมือขึ้นมาให้ระลึกได้ว่ามีสติแค่นั้นใช่ไหมและทีนี้การปฏิบัติอ่ะต้องติดสติต้องตั้งสตินะคะอาจารย์อือ อ่าก็เราจะพูดแบบแบบพื้นๆก่อนนะพื้นๆแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องธรรมะว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้สักอย่างเดียวแต่ถ้าพอจะรู้บ้างก็คือธรรมะก็คือเรื่องของการทำบุญทำบุญก็คือเนี่ยยกเป็นโตให้ทานนะเออเรื่องศีลก็คือการรักษาศรรีลก็เข้าใจเข้าๆประมาณนี้แต่ทีนี้พอเราเลื่อนระดับระดับก็คือว่า เออบื้องต้นก็คือเขาจะเรียกเรียกว่าเป็นการฝึกให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวแต่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอว่ารู้สึกตัวคืออะไรอีกแต่ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเราเริ่มสังเกตเห็นว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันจงมันจะตรงกันข้ามกับความไม่รู้สึกตัวออพูดง่ายๆก็คือมีหลงกับลืมประมาณอย่างนี้ลืมอะไรก็ลืมกายลืมตัวเองลืมจิตใจก็คือลืมถึงอารมณ์ที่มี ปรากฏอยู่ขึ้นในจิตเออใช่ไหมก็ลืมกายลืมจิตไม่รู้ไม่รู้จักทั้งๆที่มันมีเออมันมีอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้จักมันก็ผ่านไปผ่านไปแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้นอกตัวรู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้รู้ดีรู้เชื่อคนอื่นอะรู้หมดแหะแต่ตัวเองอ่ะเราไม่เห็นตัวเองทั้งทที่ตัวเองมันก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้มากมายเนาะเออแต่ทีนี้ พอเราฝึกที่เร uh so ียกว่าฝึกสติเนี่ยโดยเอากายเป็นที่ตั้งของสติก็คือให้กายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้กายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้จริงๆอ่ะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วนะทว่ากันอ่ะแต่ว่ามันก็จําเป็นสําหรับคนใหม่เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งที่มีจริงๆอ่ะเออกายเคลื่อนไหวกายเดินอยู่แล้วมีอยู่แล้วรู้เป็นอยู่แล้วแต่มันก็ไม่รู้จักว่าเอรู้เป็นยังไง เขาก็เลยบอกว่าอา้าวกายเคลื่อนไหวอ่ะก็เดินอ่ะหรือว่ายกมืออ่ะรู้สึกได้ไหมอ่ะเราก็เริ่มจับอ๋อมันรู้สึกเออมันรู้สึกนี่แต่รู้ไปรู้มาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้กายเนี่ยมันเป็นของหยาบแต่รู้เนี่ยสภาพรู้สภาพรู้เนี่ยมันไม่มีตัวมันหาไม่เจอหรอกมันเป็นแค่ถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกเห็นแล้วว่าก็คือว่าเป็นนามธรรมเออเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นไม่รู้มันปรับมันไม่รู้มันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย จงกระทั่งเราก็พัฒนาจเจริญไปเรื่อยๆเราก็รู้ว่าที่แท้เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยมันมีอยู่แล้วถึงไม่ฝึกมันก็รู้ได้ถึงฝึกมันก็รู้ได้อ่าจะฝึกไม่ฝึกมันก็รู้ได้พอรู้ได้อย่างนี้จนเข้าใจเลยว่าโอ้ไอเราที่พยายามจะทำนู่นทานี่มันเป็นสังขารมันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งนั้นแหละถึงไม่สังขารมันมันก็สังขารเองได้ ก็กลายเป็นว่าสังขารซ้อนสังขารขึ้นมานี่หมายถึงว่าขั้นปลายเนี่ยนะเออสังขารขึ้นมาเพื่อให้ให้เกิดการรู้แต่จริงๆอ่ะไม่ต้องทำไม่ต้องสังขารก็ได้เออแต่จะสังขารก็ได้ไม่ผิดอ่ะเช่นเช่นเราตั้งใจฟังอ่ะสมมติเราตั้งใจฟังแทนที่เราจะส่งสายตาไปทางอื่นอะไรล้วก็สายตาอาจจะมาจ้องผ้ทีพ่พูดพูดนอยนึงแล้วก็ อทำหน้าทำตาอย่างนั้นหน่อยหนึ่งคือไม่กระดุกกระดิกไม่ไม่อไม่ไม่แสสายไปทางอื่นมันก็เป็นรูปแบบชนิดหนึ่งเหมือนกันก็คือรูปแบบของการตั้งใจฟังเออเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจฟังทําไมต้องทําหน้าทําตาอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําหน้าทําตาอย่างนั้น่ะมันไม่ฟังมันหันไปทางอื่นก็เลยต้องหันมาที่ผู้พูดมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันเออแต่ทีนี้ไอ้เรื่องสังขารเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อสังขารแบบนี้มีเหตุอย่างนี้ มันก็ให้ผลอย่างนั้นเออมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันสิ่งต้องทำอย่างนี้ผลจึงจะเกิดอย่างนี้เออมันก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลกันแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรก็ตามอะสิ่งที่เรารู้จักสิ่งที่เราพบเราเห็นล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเออสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นอะจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอารมณ์ต่างๆทำหน้าทาตาอย่างนั้นยกม้ยกมือมันก็คือสังขารเออ แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านก็สอนว่าให้รู้จักสังขารว่าสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือสิ่งที่แปรปวนออไม่คงที่ไม่แน่นอนรงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ออสังขารก็เป็นทุกข์พอเราเข้าใจเรื่องสังขารเข้าใจเรื่องทุกข์มันก็จะเข้าใจเรื่องอนัตตาว่าอนัตตาก็คือสังขาร น, นั่นเองหรือทุกข์นั่นเองแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเองหายไปเองเปลี่ยนแปลงเอง สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้รวมถึงมันไม่มีตัวตนด้วยอ่ามันไม่มีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นสภาพธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีอยู <S <s ่แล้วซึ่งมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นก็เลยเข้าใจอนัตตาในส่วนที่เป็นสังขารแต่ทีนี้ธรรมะขั้นสูงเนี่ยมันจะต้องเข้าใจเรื่องอนัตตาในส่วนที่เป็นวิสังขารก็คือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อเรารู้จักสังขารส่วนที่เป็นปรุงแต่งแล้วเนี่ย เราก็จะเข้าใจเลยว่าอ้อไอวิสังขารที่เป็นอนัตตาเนี่ยแต่เป็นไม่ปรุงแต่งมันก็มีอยู่ถ้าถามเป็นภาษาพูดก็คืออะไรก็คือใจนั่นเองใจใจนี่แหละเป็นวิสังขารเพราะใจเขาทําหน้าที่รู้ใจเป็นธาตรู้เป็นเป็นธรรมชาติรู้เขามีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่ตัวมันไม่มีเออมันทําหน้าที่รู้อย่างเดียวหลงก็ไม่เป็นคิดก็ไม่เป็นพูดก็ไม่ได้ แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรทั้งหมดไม่ใช่กว้างไม่ใช่ยาวไม่ใช่หนาไม่ใช่สั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเออมันไม่เคยปรากฏมาเลยในโลกนี้แต่มันรู้ได้มัน usar, ปลุงไม่เป็นมันคิดไม่เป็นมันปฏิเสธไม่เป็นมันหนาวไม่เป็นมันทุกอย่างก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างอแต่มันรู้ได้ตรงเนี้ยเป็นสภาพธรรมะธรรมชาติรู้ก็คือธาตุรู้หรือจะเรียกอันหนึ่งก็คือจะเรียกว่าพุทธะก็ได้ เอออันนี้ล้วนแต่เป็นคําสมมติทั้งหมดแต่เดิมแต่ก่อนที่จะมีคนเกิดมาก่อนที่จะมีการตั้งภาษาพูดสิ่งเนี้ยมันไม่มีภาษาพูดมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเออแต่ทีนี้เราตั้งภาษาพูดขึ้นมาก็เพื่อสื่อสารว่าอันนี้นะไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยที่เขาทําหน้าที่รู้แต่มันไม่มีตัวแต่มันรู้ได้เนี่ยตั้งชื่อขึ้นมาเช่นจิตเดิมแท้บ้างพุทธะบ้างพุทธาทภาวะบ้าง จิตด่างเดิมบ้างใจบ้างสารพัดจะตั้งชื่อขึ้นมาแต่ถึงไม่ตั้งชื่อมามันก็มีอยู่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคำว่าไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นชื่ออีกก็กลายเป็นว่าถ้าไม่พูดเลยเนี่ยนะไม่รู้จะแสดงธรรมได้ยังไงก็จำเป็นอาศัยสิ่งปรุงแต่งมาพูดเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งก็คือโลกุตระนั่นเองเพราะนั้น สิ่งที่เราเรียนเบื้องต้นจากจะตั้งเป็นชื่อสายนะเส่นสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็ตีก็เพียงเพื่อในเบื้องต้นก็คือปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาจริงๆธาตุรู้มันตื่นอยู่แล้วแต่คนไม่รู้จักก็เพื่อให้เขาได้รู้จักว่า อ, อ๋อธาตุรู้หรือที่ทําเออสิ่งที่ทําหน้าที่รู้เนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ยเราเองเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจหลักธรรมะว่าคืออะไร เราก็ยังเป็นอย่างเดิมอยู่แต่ทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นอุบายนั่นเองเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสังขารที่มีอยู่มาขยับขยื่นนั่เคลื่อนไหวเพื่อให้ใจรู้เพื่อให้เกิดสภาพรู้ขึ้นมาเออทีนี้เมื่อถึงตอนนี้จะใช้อุบายอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะมันมีอยู่แล้วเออทีนี้ถ้าจะลองไปเทียบทางหลวงพ่อพธิเราก็เคยฟังมันไม่มีไม่เป็นอะไรอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมันนิพพานอยู่แล้วมันก็ถูกนะ ก็จริงๆนิพนานมีอยู่แล้วแต่ถามว่านิพานมีอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ว่านิพานมีอยู่แล้วแต่ลองให้คนอื่นทั่วไปชาวบ้านเนี่ยเราไปบอกว่านิพานมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ว่ายากอยู่นะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ผ่านสังขารเลยแม้กระทั่งสังขารก็ยังไม่รู้จักใช่ไหมว่าอะไรคือสังขารอะไรคือทุกอะไรคือนัตตาเขาไม่รู้จักทั้งๆัที่สิ่งนั้นมีอยู่เออทีนี้เมื่อไม่รู้จักสิ่งที่มีอยู่ เขาจะเข้าใจข้ามกระโดดว่านิพพานมีอยู่แล้วเนี่ยทั้งทั้งสิ่งที่หยาบอะสังขารซึ่งมันหยาบหยาบกว่าเขายังไม่รู้จักนิพพานซึ่งเป็นสภาพที่มันไม่เป็นอะไรเลยอะมันไร้การปรุงแต่งอะเออมันจะรู้จักได้ยังไงแต่ว่าถ้ารู้จักแล้วมันก็โอเคแต่ถ้าไม่รู้จักก็ต้องต้องผ่านสังขารไปก่อนเราว่านะเออเพราะสังขารเนี่ยมันหยาบมันเคลื่อนไหวได้มันแปลงมันปรุงได้มัน แปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เออแต่นี้เอาเป็นว่าในฐานะที่พวกเราหลายคนเนี่ยเห็นเราเคยได้ยินที่เขาพูดกันทางโทรศัพท์แบบชุมสายอย่างเนี้ยหลายคนเข้าใจเรื่องพุทธภาวะเข้าใจเรื่องจิตพุทธะมากมายเออเราว่าถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยถ้าเข้าใจจริงนะก็ก็โอเคเล ย, เลยแหละอนุโมทนาทุกคนแต่ว่าถ้าจําแบบจำจำจำจำว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเออก็ ในช่วงนี้ก็คงจะพูดได้อย่างนี้ก็คือเริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงที่สุดก็คือเข้าใจเรื่องโลกุตละคือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งใดๆทั้งหมดเออมันก็ไร้รูปไร้นามไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยอ่าแค่นี้เนะนาะอนุโมทนาสาธุนะว่าที่คุณแม่คุณแม่ชุทิคุณแม่ชีชูติมามีมีอะไรจะสอบถามพระอาจารย์ออดบ้าไหมครับ เมื่อกี้ไมจะถามอะไรละคะเออเขัาใจหมดนะแจยมแจ้งแจยมแจ้งแดงแจ๋ก็หมายความว่าเข้าสู่ภาวะวิหารธรรมคือสุญญาตาวิหารเป็นเป็นฟ้าว่างเสียเองกันเลยเลยเป็นพุทธเจ้าเสียเองอ่ะนะเป็นพุทธาเสเองจิตพุทธาเสเองอ่ะนะอือก็ก็ไม่มีอะไรค้างคานะไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตอย่างอย่างที่ว่าเนี่ย อย่างที่พระสูตรหนึ่งบอกว่าปรัมมิตาหะทายสูตรรูปคือความว่างความว่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันหะล้วนว่างเปล่าล้วนเดสัพเพธรรมานาจาไปทั้งหมดเลยว่างไปทั้งหมดเลยนะขันหะว่าก็หมายว่ามันมันว่างจากภาวะไปทั้งหมดนะอืมไม่อาจจะบอกว่าขันหะหรือว่าชาติสีนนี้ก็เป็นภาษาสมมติมาเรียกใช่ไมทียอาจารย์ตาอาจารย์ออสพูดเมื่อกี้นี่ยนะ เออจริงจริงมันพูดกันไม่ได้แต่ว่าต้อเอาสังขารมาใช่คือจิตจะสังขารเนี่นะเออที่จิตมันเพิ่มแต่งเนี่ยกายจะสังขารวจีสังขารอืมถ้าพูดตามหลักปริยัติเนี่ยเทระวัตเนี่ยสังขารสามใช่ไหมคือมโนสังขารหรือว่าจิตสังขารแล้วก็กายสังขารแล้วก็เออเออวจีสสสังขารหรือว่าจีวิญญาณเป็นภาษาอินเดียภาษาแขกจิตจะสังขารก็มีสามหรือสามอย่างกัน คิดในทางดีคิดในทางบุญกุศลเรียกว่าปุญญาที่สังขารแต่คิดในทางอาคุศลคิดในทางไม่ดีจิตซึมคิตเศร้าจิตอึดอัดกัดเคืองจิตโกรธเคืองคิตอยากได้ก็เรียกว่าอาปุญญาที่สังขารคิดไมในทางที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอยากรักเนี่นะเราเรียกว่าอาปัญญาที่สังขารแต่ถ้าคิดจะฟังธรรมะสนใจธรรมะไอ้หลุดให้พ้นปฏิบัติธรรมเราเรียกว่าปุญญาทีสังขาร ถ้าสนใจในธรรมเราเรียกว่าธรรมราคะใช่ไหมที่เรากำลังอยู่เนี่เราทำราคะมีราคะอยากใค้ในธรรมอความอยากในธรรมก็เป็นราคะเป็นตัณหาใช่ไหมแต่ว่าตัณหาฝ่ายดีเรียกว่าเป็นกุศลธรรมมาเออเแต่ถ้าคิดชั่วคิดว่้ยกูเพืเ่อนายจิตกูซึมเศร้าเก็บกุณเศร้าหมองจิตคุณเรื่องโน้นเรื่องนี้ประดังประเดมาแม่วุ่นวี่วุ่นวายไปทั้งวันเราเรียกว่า เอ่ออาคุณญาพิสังขารใช่ไหมทีเรียกว่าอย่างนั้นที่เรียกตามภาษาตามสมมุติจาพุทธิละ ว, ว่าอย่างงั้นแล้วสังขารจิตประการหนึ่งประการที่สามอยู่ระหว่างสองอย่างนี้เราเรียกว่าอาเรนชาพิสังขารคิดไปคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างอยู่ระหว่างชั่วระหว่างนี้กลับไปกลับมาเป็นหมุนเป็นจาบขันนี่เราเรียกว่าวัดต่ายวนอยู่ในวัดต่ายานี่แหะ ทังฝังดีฝังชั่วอมาสุขอมาทุกข์คิดจังดีทางชั่วคิดจังบุญจางบาสนี่นะหอยู่ตรงกลางที่ยังมันไม่ได้คิดหรือว่าอุเบกขาได้อยู่เฉยแะเฉยมันก็คิดนะคือคิดเฉยคิดอุเบกขาสรุปแล้วมันตัวเป็ฝั่งนี้มาฝั่งโน้นขึ้นไปฝั่งนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าสังคตตาหรือสังคตธาตสังคตธรรมคือสิ่งต้องแต่งอ่ะพระพุทธเจ้าไปเห็นตัวเนี้ยในวันเพ็ญเดือนกเนี่ย แต่พระเจ้าเรียกว่าในช่างในช่างในช่างในช่างในช่างพราภาษาโบราณมันไม่มีที่จะไปเรียกแบบพูดอย่างเมื่อที่เราพูดอี่างนี้นะ 2,000 ปีเรียกว่าในช่างในช่างมาแล้วในช่างในช่างในช่างผู้สร้างบ้านในกษัตริยสังสาลาเห็นหน้าในช่างแล้วรู้จักในช่างแล้วเมื่อก่อนเรายังไม่พบญาติใช่ไหมเมื่อก่อนเรายังไม่รู้ยังไม่อย่างรู้ยังไม่รู้ เราก็ไปเล่นกับนายช่างเล่นกับไอความคิดปรุงแต่งเนี่ยทั้งวันทั้งคุษทั้งวันนะการฟืนเป็นฟันกาวาดเป็นไฟเนี่ยเล่นกับนายช่างเนี่ยพอรู้จักนายช่างแล้วใช่ไหมก็ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นขับนายช่างหนีหรือรังเลียจนายช่างใช่ไหมก็อยู่กับนายช่างเนี่ยแต่ต้องใช้นายช่างอาศัยนายช่างเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดแล้จึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดจริงจะรู้คิดเท่าไหร่พุทธะกหายหมดเลยอืม แต่พอหยุดคิดพุธทธะก็ปรากฏจังจับพลันทันทีเลยพุเป็นพุทธเจ้าเกิดขึ้นทันทีเลยไอ้ที่คิดเนี่ยมันเป็นเป็นเขา เ, เรียกว่าไ อ, ไอ้ไอ้ไอ้ปลุกแต่งเป็นสังคตตะสังคตะสังคตะพอหยุดคิดก็เป็นวิสังขารทันทีวิสังขารนี่คือนิพพานทันทีแต่หยุดคิดเป็นนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นขณะที่คุยอยู่เนี่ยขณะที่พระอาจารย์อภิทัศ น, นาหรือบรรยายธรรมเนี่ยจิตทุกคนก็วิสังขารหมดเลย หยุดลุงแต่งไปชั่วขณะใช่ไหมเพราใจจดจ่อเองก็ดำรงอยู่ที่ความธรรมะหยุดคิดไปขณะธรรมชาติมันอยู่เองนะไม่ใช่ว่าทั้งวันไมอยู่นะคือทุกคนก็ได้นิพพานฉับรันลงขณะที่พระยารย์ออดกําลังแสดงธรรมนี่แหละขณะนี้ที่ดีไม่ต้องไปรอพบหน้าชาติหน้าไม่ตอนนี้เข้าสูงนิพพานตอนนี้เป็นอรหันต์ตอนนี้จิตเป็นอรหันต์ตอนนี้อรมาศอาหันตมธรรมอ่านผลตอนนี้จิตเป็นพุทธะเป็นพุทธเจ้าฉับรันณนะขณะ น, นี้เวลานี้ที่นี่ แต่พวกหลังจากนี้มันก็ไปเล่นเรื่องงานเรื่องการเรื่องช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เห่มไหมอืมไปเล่นหาเงินหาทองหาชื่อหาเสียงหรือไปเล่นเนผยแพร่ธรรมะไปเล่น ก, ไก็ไป่เ่็นมเปรียบชาวบ้านชาวโลกที่เขาเล่นกันมันก็กลับไปสู่สังขารเกินเนนก่าอีกรูงแดงเก่าใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายร้ายแรงอะไรเพียงแต่ให้เราเข้าใจยังรู้จักมันนะที่พระเจ้าบอกรู้จักแล้วจะในช่างเจ้าทําโค้งเรือนเราไม่ได้แล้วโค้งเรียนเราหักไปแล้ว เหมือนม่ายอดด้วนใช่ไตัดรากถอนโคนไปแล้วไอ้ัวเนี้ยใช่หหรือพี่พูดกับโมครลาชะาว่าถอนถอนถอนถออนไอ้ถอนตัวในช้างเยเออถอนถอนถอนตัดตัดตัดตัดตัดตัวในช้างคำว่าตัดนี่ไม่ได้ว่าถอนจริงๆตัดจริงๆนะมันเป็นภาษาเท่านั้นเองมันไม่มีคำอื่นจะมาแทน คำว่าทิ้งคำว่าละคำว่าถอนนี่ไม่ได้หมายว่าเราถือของอยู่แล้วก็ทิ้งไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ไอ้ทิ้งมันเป็นภาษาความริงมันไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอ่ะมันเป็นอย่างมันอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะจะทําทอะไรมา่ะือทุกคนอยู่ในสายก็เป็นพุทธเจ้าเหมือนกันหมดเลยนะ ừ, แล้วเราจะไปเอาอะไรองที่จะให้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเออเหมือนทุกคนในนู่นรวย กว่าเจ้าของซีพีเจ้าของเซเว่นมีเงินนั่งหลายแสยนล้านเนี่ยที่คุยกันอยู่นนะเนี้ยนะเองค์นะรวยมาสาหลายแสยนล้านเนี่ยใช่ไหมแล้วเราจะไปหาเงินทำไมเอาเงินไปทาอะไรนะเพราะเราเป็นเศรษฐีอยู่แล้วอย่างนีอืมเป็นอย่างานันดโดยสรุปว่าตลอดทุกขณะทุกขณามันมีจิตพุทธะอยู่เป็นพุทธเจ้าอยู่ทุกขณาเป็นพุทธเจ้าอยู่ทุกขณาแต่ เพราะไอความคิดลุงแต่งนี่ยมันทำให้พระเจ้านเนี่ยมันเลือนหายไปเหมือนเมฆมาบังดวงอาทิตย์นะนี่ผมก็สรุปที่พระอาจารย์ออสฉันได้แสดงธรรมนะโดยสังเขตปับมีมีใครสงสัยจะถามไหม ค, คุณแม่ชีดอกไม้มีอะไรจะถามไหมอ๋อก็สรุปแล้วค่ะว่าไม่มีอะไรแม่ชีแม่ชีชูจีมาจะถามเลยไหมครับก็ถามค่ะ โอเคแล้วคุณนำพันจะถามอะไรไหมคุณนำพันยังอยู่ไหมอา่าไม่เป็นไรนะก็นี่แหละพอเราเข้าใจ อ, อย่างนี้แล้วแล้วเป็นผู้เจ้าแล้วพระผู้เจ้าก็ต้องไปบอกคนอื่นให้เป็นผู้เจ้าพระผู้เจ้าก็ต้องทําให้คนอื่นเป็นผู้เจ้าด้วยหรือพระผู้เจ้าในที่นี้หมายถึงว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นพระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีปัญญาโพธิ เมื่อเราเป็นสัตว์ที่มีปัญญาหรือโพธิสัตว์ถ้าโพธิสัตว์แล้วงเนี่ยนะจะเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็ได้หรือจะเรียกโพธิสัตว์เฉยๆก็ได้เขาก็ไปช่วยคนอื่นเวนยสัตว์นะเออที่มีสีประเภทเนี่ยคือบัวสีเหล่าเนี่ยใช่ไหมเออให้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้กับเอเอเอมีมีมีมม มมีบนทางอาจารย์อสติรงี้ครับเกินครับก็มันก็เข้าใจกันโดยทั่วถึงเลยนะแต่ก็ไม่มีผู้เข้าใจหรอกเพราะว่ามันพุทธะนี่คือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจะว่าเข้าใจก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่อ่ะเออพุทธะเป็นผู้รู้รู้เข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจก็รู้มันแต่ก็มันเลยไปหมดอ่ะเลยเลยไปเหนือยิ่งขึ้นไป ก็ออนี่แหละเราฟังอยู่ก็เห็นก็คุยคุยเออเขาคุยดีนะหลายคนก็มีความเข้าใจเข้าใจในเรื่องไ <c oughs> อ้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้นะอนืม เ, 응เพราะว่าคนที่แบบฟังฟังฟังฟังฟังฟังเนี่ยตรงเนี้ยมันถ้าพูดกันแบบสมมติสมมติอ่ะนะตรงเนี้ยมันจะเกิดองค์องค์ธรรมก็คือสีนสมาธิปัญญาอยู่ในเนี้ยเราอดไม่ได้นะที่จะพูดแบบเถรรว่าอ่ะนะ แต่ถ้าถ้าเซนเนี่ยก็คือมันไม่มีภาษาพูดหรอกมีการแบบเออภาษาใบ้กันรู้เอาเองเออภาษาใบ้แล้วก็รู้เอาเองทำนูน่นทำนี่ก็รู้เอาเองเออมากระรองพูดประมาณอย่างนี้แหละนี่เชิญเชิญคนอือ่นนะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้านะ